สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหารคุณชอบเล่าวันนี้ขอเอาใจท่านสมาชิกที่อยากจะฟังเรื่องราวของญี่ปุ่นบ้างนะครับก็พยายามจะไปสอะแสวงหามาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับสมัยที่โชกุนอาชีพคางะกําลังดึองอํานาจนั้นมีสารเจ้าชื่อองาวจิเมียวจินอยู่ในแคว้นอิเซ ต, ตอนใต้เป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากจึงได้พังทลายลงมาเจ้าผู้ครองแคว้นคือคุณนางฮิตะฮาตะเกะ ต้องทุ่มเทเงินทองในการสู้รบและใช้ใจ่ายเพื่อการอื่นๆจึงไม่สามารถหาเงินมาบุรณาสานเจ้าแห่งนี้ได้หลวงพ่อมัสซุมูระเฮียวโงะซึ่งเป็นนักบวชนิกายชินโตจึงเดินทางไปเกียวโตเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าผู้ครองแว้นที่ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งคือคุณนางโฮโซคาวะผู้สนิทสนมกับท่านโชกุนคุณนางโฮโซคาวะนั้นต้อนรับหลวงพ่อด้วยความเต็มใจและสัญญาจะพูดกับท่านโชกุนถึงเรื่องการซ่อมแซมบุรณาสานเจ้าแต่คุณนางโฮโซคาวะเสริมว่า เรื่องนี้จะรีบร้อนไม่ได้เพราะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูสถานที่ก่อนและต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนก่อนที่จะตกลงได้งบประมาณสำหรับซ่อมศาลเจ้าคุณนางแนะนําให้หลวงพ่อพักอยู่ในเมืองหลวงระหว่างที่ดําเนินการของงบประมาณหลวงพ่อจึงได้เช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักชั่วคราวบ้านนี้อยู่ในย่านเคียวงกขุแม้ว่าบ้านหลังนี้จะใหญ่โตและสวยงามแต่เป็นบ้านที่ร้างมานานและกล่าวกันว่าใครมาอยู่ในบ้านนี้จะโชคร้ายทุกคน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้านมีบ่อน้ําอยู่บ่อหนึ่งคนที่เคยมาพักอยู่ในบ้านนี้จมน้ําในบ่อแห่งนี้ตายไปแล้วหลายคนโดยที่ไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุแต่หลวงพ่อมัสสุมุระเป็นพระจึงไม่เกรงกลัวผู้ผีปีศาจและอาศัยอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างสบายฤดูร้อนปีนั้นแล้งจัดในปริมนทนของแคว้นทั้งห้าไม่มีฝนตกเลยแม่น้ําแห้งขอดบ่อไม่มีน้ําแม้แต่ในเมืองหลวงเองก็ขาดแคลนน้าแต่ในบ่อบริเวณบ้านที่หลวงพ่อพักอยู่นั้นกลับมีน้ําปริ่ม เป็นน้ำที่เย็นและใสเจือสีฟ้าอ่อนๆเรากับซึมขึ้นมาจากบ่อน้ำพุผู้คนนั้นก็พากันมาขอแบ่งปันน้ำใช้จากบ่อของหลวงพ่อกันอย่างเนืองแน่นคนเหล่านี้มาจากทุกคนทุกแห่งในเมืองหลวงหลวงพ่อก็อนุญาตให้ตักน้ำไปได้เท่าที่ต้องการแต่ไม่ว่าจะตักน้ำขึ้นมาจากบ่อมากสักเท่าไรน้ำก็ไม่เคยแห้งเหือดเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพของสาวใช้เพื่อนบ้านใกล้เคียงอยู่ในบ่อน้ำหลวงพ่อซึ่งเคยได้ยินเรื่องไม่เป็นมงคลเกี่ยวกับบ่อน้ำแห่งนี้มาก่อน จึงสงสัยว่าจะมีพยานอันตรายที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นเป็นแน่หลวงพ่อไปสำรวจดูบริเวณรอบๆ บ, บ่อน้ําพรางก็คิดจะหาทางสร้างรั้วล้อมรอบบ่อน้ํานี่เสียขณะที่กําลังยืนเพลินอยู่นั่นเองหลวงพ่อก็ต้องสะดุ้งเฮือกเพราะเห็นน้ําในบ่อกระเพื่อมราวกับมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ําหลวงพ่อรอดูจนน้าสงบนิ่งตามเดิมก็ปรากฏเงาของหญิงสาวบนผิวน้ําขึ้นมาอย่างชัดเจนคเนอายุประมาณ 19-20 ปีกําลังทาปากด้วยชาติ ตอนแรกหลวงพ่อเองก็มองเห็นใบหน้าของหญิงสาวไม่ชัดเจนเพราะนางหันข้างให้แต่ในไม่ช้านางก็หันหน้ามายิ้มกับหลวงพ่อทันทีที่หลวงพ่อเห็นรอยยิ้มนั้นหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นรู้สึกมึนงงคล้ายเมาเหล้ามองไม่เห็นสิ่งอื่นใดเลยนอกจากใบหน้ายิ้มแย้มของหญิงสาวซึ่งสวยราวกับแสงจันทร์ขาวผ่องงามมากขึ้นทุกขณะ จ, จิตและดึงดูดหลวงพ่อให้ตามนางลงไปในบ่อลึกสู่ความมืดดำที่ลึกล้ําลึกลงไปทุกที หลวงพ่อรวบรวมสติไว้มั่นฝืนตัวไว้และหลับตาลงเมื่อหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งใบหน้านั้นก็อันตรธานไปแล้วความสว่างกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อรู้สึกตัวว่ากำลังจะงกหน้าอยู่ที่ขอบบ่ออย่างมินเมถ้าหลวงพ่อยอมปล่อยให้ตัวเองมึนงงต่อไปอีกนิดเดียวยอมไม่ถูกผีสะกดจิตอีกครู่เดียวย่อมหมายความว่าหลวงพ่อจะไม่มีวันได้เห็นดวงตะวันอีกต่อไปหลวงพ่อเดินกลับบ้านพักเรียกคนในบ้านมาสั่งว่าไม่ให้เข้าไปใกล้บ่อน้าําไม่ว่ากรณีใดๆ ละห้ามคนไม่ให้ไปตักน้ำในบ่อนนั้นอีกเป็นอันขาดวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อให้คนมาสร้างรั้วที่แข็งแรงมากล้อมรอบบ่อน้ำนั้นไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็เกิดพายุ ฟ, ฟ้าขนองฟ้าแลบและฟ้าผ่าอย่างน่ากลัวสืบเนื่องมาจากฝนที่ไม่ตกมานานเสียงฟ้าขนองสนัน่นจนเมืองทั้งเมืองสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่วติดต่อกันนาน3วันสคืนมีฟ้าผ่าและฟ้าร้องตลอดเวลาน้ำในแม่น้ำขมองอวะเออทนอยังไม่เคยเป็นมาก่อน สายน้ำเชี่ยวไหลพัดผสาสพานไหลแห่งพังพินาศในตอนกลางดึกของคืนที่3ซึ่งพายุโหมกระหน่ามีเสียงเคาะประตูที่บ้านพักของหลวงพ่อและเสียงของผู้หญิงอ้อนวอนขอเข้าไปในบ้านหลวงพ่อนึกถึงประสบการณ์จากบ่อน้ำจึงบอกกับคนใช้ไม่ให้เปิดประตูและเดินไปถามที่ประตูว่านั่นใครขออภัยเถิดคะ่ะดิฉันเองยายโยอิดิฉันมีเรื่องสำคัญจะมาเรียนหลวงพ่อมัซสืมุระกรุณาเปิดประตูด้วยคะ่ะเสียงผู้หญิงตอบหลวงพ่อแง้มประตูอย่างระมัดระวัง ใบหน้าของหญิงสาวที่ปรากฏนอกประตูนั้นก็คือใบหน้าเดียวกันกับที่หลวงพ่อเห็นในบ่อน้ำแต่เวลานี้ไม่ได้ยิ้มแย้มทว่าสีหน้าเศร้ายิ่งนักโยมเข้ามาในนี้ไม่ได้โยมไม่ใช่คนธรรมดาเป็นปีศาจที่สิงอยู่ในบ่อน้ำทำไมนะทำไมโยมจึงพยายามมาหลอกหลอนล่อลวงคนและเอาชีวิตของเขาไปหลวงพ่อถามเสียงของปีศาจที่สิงอยู่ในบ่อน้ำตอบออกมาอย่างอ่อนหวานไพเราะราวกับเสียงไข่มุกกระทบกันดังกังวานใส เรื่องนี้แหละค่ะที่ฉันอยากจะเล่าให้ท่านฟังดิฉันไม่ปรารถนาจะทําร้ายใครเลยจริงๆมีมังกรร้ายอาศัยอยู่ในบ่อ น, น้ําแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณมังกรมีฤทธิ์ทำให้น้ําเต็มบ่อนอยู่ตลอดเวลาดิฉันเคยจมน้ําตายในบ่อ น, นี้นานมาแล้วจึงตกเป็นฆาตของมังกรดิฉันต้องทําหน้าที่ล่อลวงคนให้จมน้ําตายเพื่อที่มังกรจะได้ดูดเลือดคนเหล่านั้นแต่เวลานี้เทพเจ้าในสูงสวรรค์ได้ทรงมีบัญชาให้มังกรย้ายไปอยู่ในทะเลสาบโทริโนอิเค ในแควนชินชูและเป็นพระประสงค์ของเทพเจ้าที่จะไม่ให้มังกรกลับมาอยู่ในบ่อน้ําแห่งนี้อีกต่อไปดิฉันจึงได้ขึ้นมาจากบ่อได้และอยากจะมาขอความกรุณาหลวงพ่อโปรดช่วยดิฉันด้วยเพราะตั้งแต่มังกรได้ไปอยู่ที่อื่นแล้วน้ําในบ่อก็จะแห้งขอดเหลือแค่ติดก้นบ่อขอให้หลวงพ่อได้โปรดส่งคนลงไปงมหาศพของดิฉันด้วยขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยนำศพของดิฉันขึ้นมาจากบ่อดิฉันสัญญาไว้จะตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อ เมื่อกล่าวจบแล้วร่างของหญิงสาวก็หายวับไปกับความมืดในยามราตรีพายุร้ายผ่านพ้นไปก่อนรุ่งอรุณดวงตะวันฉายแสงสว่างท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสปราศจากเมฆหมอกหลวงพ่อมัสสุมุระตามตัวพวกคนงานให้มาช่วยกันค้นหาศพที่ก้นบ่อทุกคนเริ่มงานกันตั้งแต่เช้ามดืดต่างก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นน้ําในบ่อแห้งเกือบสนิทสามารถค้นหาได้ง่ายมากคนงานพบปิ่นปักผมแบบโบราณและกระจกโลหารูปร่างแปลก แต่กลับไม่พบซากมนุษย์หรือสัตว์อื่นใดที่ก้นบ่อ น, นั้นหลวงพ่อเกิดความคิดขึ้นว่ากระจกบานนี้น่าจะอธิบายถึงสาเหตุลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ได้แน่เพราะกระจกเป็นสิ่งพิสดารอย่างหนึง่งคือจะมีวิ ญ, ญญาณสิงสู่อยู่และมักจะเป็นวิ ญ, ญญาณของผู้หญิงกระจกบานนี้เก่าคร่ำคร่าสนิมเกาะเคลอะไปหมดแต่เมื่อหลวงพ่อสั่งให้ลูกศิษย์นำไปขัดถูทําความสะอาดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นกระจกที่มีค่าหายากมากทําขึ้นโดยช่างที่มีฝีมือเป็นเลิศ ด้านหลังของกระจกสลักสลาบเป็นลวดลายสวยงามทั้งยังมีรอยจารึกตัวอักษรหลายตัวอักษรบางตัวลบเปลือนจนอ่านไม่ออกแต่ส่วนที่จารึกวันที่ยังพอจะอ่านได้ความว่าเดือนที่สวันที่สคําว่าวันที่สในสมัยโบราณหมายถึงเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ตรงกับคําว่ายาโยอิวันที่สเดือนที่3เป็นวันฉลองเทศกาลเด็กผู้หญิงหลวงพ่อจําได้ว่านกปิศาที่สิงในบ่อน้ําบอกว่านางชื่อยาโยอิจึงน่าจะหมายความว่า ปีศาจที่มาเยือนท่านนั้นก็คือวิญญาณของกระจกบานนี้นั่นเองหลวงพ่อจึงต้องการที่จะปฏิบัติต่อกระจกบานนี้เช่นเดียวกันกับที่ท่านปฏิบัติต่อดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วทั้งหลายเริ่มด้วยการขัดถูกระจกจนเป็นเงางามชุบเงินให้ใหม่ขึ้นทํากล่องใบงามด้วยไม้ราคาแพงสําหรับเก็บกระจกตอนเย็นวันเดียวกันกับที่หลวงพ่อได้นํากระจกไปวางในห้องด้วยความคารวะนั่นเองอยาจุ๋อี ก, ก็ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าท่านอีกครั้งขณะนั้นหลวงพ่อนั่งอยู่ลําพังในห้องทํางานนางดูสวยงามกว่าเดิม เป็นความสวยงามที่อ่อนโยนเรากับแสงจันทในฤดูขิมหันซึ่งสาสองผ่านกลุ่มเมฆเขาสะอาดหญิงสาวก้มลงคาระวะหลวงพ่อแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงไพเราะเรากับระคังเงินว่าดิฉันมาขอบคุณหลวงพ่อที่ได้กรุณาช่วยดิฉันได้พ้นทุกข์และพ้นจากความอ้างว้างดิฉันคือดวงวิญญาณในกระจกที่ท่านคิดนั่นแหละคะ่ะดิฉันถูกนํามาที่นี่จากเมืองคุดาระในสมัยสมเด็จพระจกักรพรรดิดิไซเมและดิฉันก็ได้อยู่ในวงังจนถึงสมัยของพระจกักรพรรดิดิซางะ ซึ่งพระราชทานดิฉันให้แก่พระสนมเอกคาโมซึ่งเป็นพระญาติและประทับในพระราชวังด้วยกันดิฉันกลายเป็นบรรวุกสืบทอดต่อกันมาในตระกูลฟูจิวาระจนมาถึงสมัยโฮเง็นจึงได้ตกลงไปในบ่อน้ำและถูกลืมไปตลอดระยะเวลาแห่งมหาสงครามระหว่างตระกูลไทโรและมินามโตผู้ที่อาศัยอยู่ในบ่อน้าแห่งนี้เป็นมังกรร้ายซึ่งเคยอยู่ในเทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ทะเลสาบนี้ครั้งหนึ่งเคยกว้างใหญ่ไพศาลเกือบทั่วบริเวณเมืองหลูงในปัจจุบันเมื่อทางการสั่งให้ถมทะเลสาปเพื่อสร้างเมืองมังกรก็เลยต้องเข้ามาอยู่ในบ่อน้ำและเมื่อดิฉันตกลงไปในบ่อน้ำดิฉันจึงต้องกลายเป็นค่าช่วงใช้ของมังกรและทำหน้าที่ล่อลวงคนจำนวนมากให้ไปตายแต่บัดนี้เทพเจ้าได้ขับไล่มังกร อ, ออกไปจากที่นี่แล้วชัว่วการนาน ดิฉันจึงขอความกรุณาหลวงพ่ออีกครั้งขอให้หลวงพ่อโปรดนำดิฉันไปมอบให้แก่ท่านโชกุนโยมิมาซาซึ่งเป็นทยายาทของวงตระกูลซึ่งเคยเป็นเจ้านายของดิฉันขอให้หลวงพ่อช่วยดิฉันเป็นครั้งสุดท้ายหรือดิฉันจะนำโชคมหาสารมาให้หลวงพ่อแต่ดิฉันขอเตือนหลวงพ่อถึงอันตรายอย่างหนึง่งคือขอให้หลวงพ่อออกไปจากบ้านหลังนี้ในวันพรุ่งนี้เพราะบ้านหลังนี้จะถูกทำลายสิน้นเมื่อหญิงสาวกล่าวคำเตือนสุดท้ายแล้วก็หายวับไปหลวงพ่อสั่งให้คนในบ้านเก็บข้าวของสัมภาระทุกอย่าง เล้รีบเดินทางไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งในวันรุ่งขึ้นทันทีที่หลวงพ่อกับผู้ติดตามออกไปพ้นบ้านก็เกิดพายุหนักกว่าครั้งก่อนเกิดน้ําท่วมพัดพาบ้านที่หลวงพ่อเคยพำนักลอยหายไปหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณนางโฮโซคาวะให้เขาพบท่านโชกุนโยมิมาซาตามที่ต้องการหลวงพ่อจึงได้มอบกระจกโบราณแก่ท่านโชกุนพร้อมกันนั้นก็เล่าเรื่องมหัศจรรย์ให้ท่านทราบท่านโชกุนพอใจในของกําหนัดนี้ยิ่งนักจึงได้มอบของขวัญราคาแพงแก่หลวงพ่อ และยังอนุมัติงบประมาณสาหรับบุรณาสานเจ้าโองาวจิอย่างพอเพียงเป็นจริงดั่งคําบัญญัติของนางในกระจกครับและนี่กระจบตํานานของนางในกระจกที่ผมไปหามาให้ท่านฟังนะครับซึ่งถือว่าเป็นตํานานเก่าแก่ของญี่ปุ่นหวังว่าเรื่องราวนี้จะนําพาวความสุขให้กับท่านผู้ฟังนะครับสักครู่นะครับนาย น, า ย, นายอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กตะเกินนะอยู่ตายคลิปนะขอบคุณครับสวัสดีครับ